สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าธาดินเพราะฉะนั้นคำว่าธาดินจึงหมายถึงของแข็งโดยทั่วไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามก็เรียกว่าธาดินอาโปธาดแปลว่าธาดน้ำธาดน้าในที่นี้หมายถึงของเหลวโดยทั่วไปเช่นน้ำในต้นไม้ในผลไม้น้าในแม่น้ำลำคลองน้าในอากาศโลหิตน้าเหลืองน้ามัน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 อากาศาธาตุแปลว่าธาตุอากาศอากาศในที่นี้หมายถึงความว่างที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงเช่นความว่างหรือช่องว่างที่มีอยู่ในระหว่างปรมานูก็เรียกว่าอากาศาธาตุวิญญาณาธาตุแปลว่ า, าธาตุรู้ซึ่งได้แก่วิญญาณทั้งหเช่นจักสุวิญญาณคือวิญญาณทางตาหรือการเห็นเป็นต้น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 แต่คำว่านามนธรรมจะเรียกว่าเป็นอรู ป, ปรธรรมก็ได้ฉะนั้นเมื่อพูดถึงอรู ป, ปรธรรมจะต้องแยกยะให้ดีว่าในที่นั้นหมายถึงนามนธรรมหรือหมายถึงอากาศาธาตุส่วนวิญญาณเป็นนามนธรรมโดยแท้อย่าลืมว่าคำว่านามนธรรมไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้า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 โดยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้ฉะนั้นคำว่าธาตุในทางพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตาธรรมสังคตธรรมหมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือขันห้าทั้งหมดอสังคตธรรมสิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งธาตุที่เป็นสังคตธรรม